นานทีพวกเราจึงได้มาพักมาปฏิบัติธรรมหรือมานอนพักในวัดด้วยด้วยความเสียสละของพวกเราที่ออกมาจากบ้านจากเรือนออกมาใครๆอยู่ที่ไหนก็ติดถิ่นติดฐานติดบ้านตัวเองทั้งนั้นทั้งนั้นแหละยิ่งผู้สูงอายุกว่ากว่าที่จะออกจากบ้านได้แต่ละครั้ง สองคิดแล้วคิดอีกเพราะผู้สูงอายุโดยมากติดที่อยู่อาศัยเพราะเคยชินกับสถานที่ตัวเองอยู่ที่ไหนอย่างไรรู้จักพอมาเปลี่ยนสถานที่เนี่ยความอึดอัดมีอยู่ในใจแต่ถึงยังไงพวกเราก็ได้เสียสละตัดความสุขนั้นออกมาเพื่อบําเพ็ญกุศลคือทานศีลภาวนาที่เรามองแล้วว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับตัวของเราอย่างมากที่ได้มาบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ทาบุญในวัดวาศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงเปตญาติทั้งหลายพร้อมกันก็เป็นวันครบรอบบรรณาภาพของคุณแม่ชีกแก้วเสียงล้ําอย่างที่พวกเราได้อ่านประวัตินั่นแหละต่อจานี้ไป หลวงพ่อจะเป็นผู้นําในการให้ศินอันดับแรกหลวงพ่อจะว่าจะนํากล่าวว่าน้โม่สามจบน้โมตัสสปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าซะก่อนก่อนที่พวกเราจะรับจะสา ม, มาทานศินจากนั้นพุทธัง สารนังคชามิธรรมังสังขังสารนังคชาติข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งดูติยำปีข้าพเจ้าขอถึงครั้งที่สองพุทธังธรรมังสังขังสารนังคชามิตาติยำปีข้าพเจ้าขอถึงครั้งที่สพุทธังธรรมังสังขังสารนังคชาติคือเรากล่าวยืนยันถึงสามครั้งว่าข้าพเจ้ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่ง จากนั้นก็กล่าวรับสมาทานศินเป็นข้อๆปานาติปาตาเวรมณีสิกาประทางสมาติยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกตัวตั้งแต่มดดำมดแดงรินยุงจนถึงสัตว์ใหญ่ข้าพเจ้าจะงดในการฆ่าสัตว์ในวันนี้อาทินาทานข้าพเจ้าจะงดในการขโมยสิ่งของของคนอื่นเขา ข้อที่สาการมีสมิธชาจารย์ข้าพเจ้าจะงดเว้นในการประพฤติผิดในกรรมลูกสามีปัญญาของใครเราจะสงบเคารพสิทธิ์ของเขาเมมสาข้าพเจ้าจะไม่โกหกจะรักษาสินจะไม่โกหกแก่ใครๆทั้งหมด โซราข้าพเจ้าจะไม่ดื่มธุราและเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้คือศีลห้าที่พวกเราจะรับต่อไปภายข้างหน้านี้เร็วๆนี้นะนี่คือศีลห้าาศีลห้ามีอยู่กับทุกคนข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะไม่มีที่มันหนาแน่นขึ้นมาทุกวันทุกวันเพราะคนขาดศีลห้านี่เอง เพราะนั้นสินท่าเนะ่ถ้ามองไปแล้วไม่ใช่ของเล็กน้อยไม่ใช่ของอที่ว่าไม่เกิดประโยชน์หรือว่าของที่ไรสาระไรประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มีแต่คนไรสาระไรประโยชน์คนอาธรรมคนไม่มีธรรมในใจเท่านั้นจึงคิดว่าศินห้านี่เป็นของไรค่าไรประโยชน์ แต่ผู้หวังคุณงามความดีผู้หวังความสงบสุขร่มเย็นเป็นจุกต่อชุมชนประเทศชาติต่อโลกแล้วเรื่องศีลห้านั้นไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นของที่ใหญ่มากที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ให้พวกเราเชาวพุทธที่ได้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติจะร่มเย็นเป็นจุกอยู่ในสถานที่ใดถ้ามีศีลห้าเนี่อยู่ในยุคใด สมัยใดยุคนั่นแลสมัยนั้นแหลจะมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าสินห้าขาดจากโลกมากในยุคใดยุคนั้นแลจะเป็นจะมีความเดือดร้อนวุ่นวายที่สุดสรุปแล้วก็คือยุคใดรรมีคนมีธรรมในจิตใจยุคนั้นโลกมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้ายุคใดเป็นอธรรมเกิดขึ้นมาในโลกมากยุคนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายที่สุดเพราะนั้นศินห้าของพระพุทธเจ้านี่คือธรรม ถ้าพว ก, พวกเราทุกคนมีธรรมมีศีลธรรมอยู่ในประจำใจแล้วพวกโลกทั้งโลกจ ะ, จ ะ, จะก็จะมีความร่มเย็นผาสุกแต่ถึงยังไงเราอยากจะให้โลกทั้งโลกเขามีความร่มเย็นผาสุกนั้นบัญยากเพราะนั้นพวกเราจึงนับจากเราไปไ ม, ไ, มไม่ได้นับจากคนอื่นคนนั้นน่าจะทำความดีคนนั้นน่าจะทำควรจะมีศรรมีลห้าคนนั้นน่าจะมีศรรมีล มีศีลธรรมเราไม่ไหวอย่างนั้นเราต้องบอกจากเราอ่ะข้าพเจ้าต้องมีคุณธรรมข้าพเจ้าต้องมีศีลธรรมข้าพเจ้าต้องมีศีลห้าคือนับหนึ่งจากเราให้พวกเรานับหนึ่งจากเราไปทุกคนต่างคนก็ตับต่างนับหนึ่งจากเราหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ไล่ไปเรื่อยๆนเลยแต่ถ้าว่าเราคิดอยากจะให้คนนั้นรักษาศีลคนนั้นคนจะมีคุณธรรม มันยากเพราะมันเราไปคิดคนอื่นเพราะนั้นเราต้องคิดตัวของเรานั่นแหละในวันนี้พวกเราได้มาสู่วัดวาศาสานาจึงได้ทาตัวของเราเป็นคนหนึ่งนับหนึ่งจากเราเป็นผู้มีสินในวันนี้นะต่อตากนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้นำในการสมท า, านสิน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 พุทธังสระนังคัจฉามิธรามังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสระนังคัจฉามิ ทุติยามปิธรามมังสาะนางคัจฉามิทุติยามปิสังขังสารนางคัจฉามิตาติยามปิพุทธังสารนางคัจฉามิ ตาติยมปิธรรมมังสารนังคจามีตาติยมปิสังคังสารนังคจามีสารนักขมานางนิตตังปานาติปตาเวรมะนีสิกขาปัทังสัมมาทิยามี ทินนาธานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุมิาจาราเวรมะีสิกขาปัทังสมทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมีสิกขา มุสาวาทาเวรมะนีสิขาปทังสัมมาทิยามิสุรามระยมชะปมัตถานาเวรมะีสิขาปัทังสัมาทิยามิ <c oughs> อิม า, มานิปันจาสิกขาปธานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโปกาสัมปาธาสีเลนานิผูติยันติตัดสมาสีลังวิโสธาเย เอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดสัมโมริยคถาพวกเรานานทีจะได้มาพบมาเจอกันอย่างนี้เป็นโอกาสหรือหาเวลาได้ยากที่จะได้มาพบมาเจอกันมากอย่างนี้เพราะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญยิ่ง วันหนึ่งเป็นวันครบรอบวันมรณภาพของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำที่จังหวัดมุกดาหารแต่ที่หลวงพ่อได้นำมาจัดลํำลึกถึงองคุณแม่ชีแก้วที่วัดหลวงพ่อเพราะว่าถ้าจะไปจัดที่นุ่นไม่สะดวก เพราะการจัดงานแต่ละครั้งต้องมีอุปกรณ์หลายๆอย่างตลอดถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นหลวงพ่อจึงจัดที่วัดหลวงพ่อเพื่อเป็นความลํำลึกถึงคุณแม่และก็พร้อมกันก็ได้จัด เพื่อเป็นการอุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงผู้มีพระคุณสำหรับพวกเราทุกๆท่านด้วยอย่างหลวงพ่อเองในวันพรุ่งนี้หลวงพ่อเตรียมเพื่อจะอุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงโยมพ่อโยมแม่หรือวงศาคนาญาตของหลวงพ่อเช่นเดียวกันและกับพวกเราทุกๆท่านที่มาร่วมงานในวันนี้วันพรุ่งนี้พวกเราทาบุญพระสงฆ์ที่มาร่วม งานที่หลวงพ่อนิมนต์มาและไม่ได้ดนิมนต์มาท่านมาด้วยน้าจิตน้าใจก็คงจะมีครูบาอาจารย์มากท่านอยู่เหมือนกันแต่พวกเราขณะที่เราใส่บาตรหรือพระสองค์อนุมโมทนาให้พรพวกเราทุกทุกท่านมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีวงสาคนายาตพวกเราก็ประมวลมาทำบุญอุธส่วนกุศล ในวันพรุ่งนี้พร้อมๆกันไปเลยในเมื่อพวกเราทำบุญถวายพัทหารในพระสงฆ์เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาพวกเราอุทิศส่วนกุศลในเมื่อเราอุทิศส่วนกุศลแล้วบุญกุศลที่เราอุทิศนั้นเป็นของใครของเราเข้าคลังใครเข้าคลังเราเข้าคอกใครคอกเราว่างั้นเถอะเข้าบัญชีใครเข้าบัญชีเรา เวลาเราจะทำบุญกุศเหมือนกับเราหาเงินเข้าบัญชีแต่ละบัญชีของเขาเราจะยื่นให้แก่ใครให้แก่วงศาคนาญาติพ่อแม่ของเราท่านเหล่านั้นก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลถ้าหากวิสัยที่จะได้รับเว้นเสียแต่วิสัยที่ไม่ได้รับจะไม่ได้รับมันมีเหมือนกับเราอยู่นอกไปชนีนอกเขียอ จ, จ่าย ถึงเขาส่งไปชนีไปเราก็ไม่ได้รับเพราะเราอยู่นอกเขตจ่ายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าญาติพี่น้องของพวกเราไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็คือเปตญ า, าติหรือญาติพี่น้องดวงวิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราอยู่นอกเขตจ่ายนอกเขตจ่ายนั่นคืออะไรถ้าเกิดเป็นมนุษย์บุญกุศลก็ไม่ถึงเพราะท่าน เป็นอยู่แบบมนุษย์แล้วอาหารการบริโภคทุกอย่างเหมือนมนุษย์ถ้าไปสู่สวรรค์ท่านก็เป็นเทวดาก็ไม่ถึงเพราะการเป็นอยู่ของท่านแบบเทวดามีพร้อมที่จะอยู่แบบเทวดาถ้าไปตกนรกก็ส่งไม่ถึงไปเกิดเป็นสัตว์ชนันก็ส่งไม่ถึงเพราะชีวิตของเขาอยู่แบบสัตว์ชันอยู่แล้ว ที่จะได้รับส่วนกุศลที่พวกเราที่ส่วนกุศลนั่นคือเป็นเปรตญาตเปรตอสุรกายเปรตวิสั ย, สยถ้าหากว่าเมื่อท่านไปตกนรกมาหรือไปสู่สวรรค์มาเมื่อออกมาจากสวรรค์แล้วตกลงมาในพื้นมนุษย์บุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากไม่สามารถที่จะส่งไปเกิดได้อีกก็เป็นวิญญาณที่เรื่นรอยเป็นวิญญาณที่ เวลาญาติพี่น้องทําบุญแต่ละครั้งดวงวิญญาณเหล่านั้นก็ต้องวิ่งไปดูว่าญาติพี่น้องจะอุทิศส่วนกุศลให้ไหมเหมือนกับญาติพี่น้องไปทํามาค้าขายจบลงมาแล้วเขาจะแบ่งเงินให้เราไหมอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นนะเพย์แต่ญาติทั้งหลายก็จะวิ่ง เ, เข้ามาว่าญาติพี่น้องจะอุทิศส่วนกุศลให้เราหรือเปล่าในการทําบุญในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราทําบุญทุกครั้ง ที่เราไปทำบุญในสถานที่ต่างๆเมื่อทำบุญจบลงแล้วให้พวกเราน้อมระลึกถึงอุทิศส่วนกุศลถึงเปตญาตคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าหว่าท่านเหล่านั้นยังติดขัดติดข้องอยู่ในภพภูมิที่พอจะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้ก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราอันนี้คือเป็นการอุทิศส่วนกุศลที่จะมีในวันพรุ่งนี้แต่ยกคุณแม่จีแก้ว เป็นประเด็นหลักแต่สำหรับคุณแม่เองหลวงพ่อไม่ได้คิดอะไรมากเพราะท่านภาวนาจนถึงที่สุดของท่านกระดูกของท่านก็เห็นเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นอยู่เพราะนั้นดวงวิญญาณของท่านไม่ต้องพูดถึงว่าท่านจะไปอยู่ในสถานที่แห่งใดถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นท่านก็ยืนยันว่าท่านปลดพ้นจากกิเลสไม่มาเกิด แก่เจ็บตายเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการไปแล้วแต่ยกประเด็นหลักท่านขึ้นมาก็คือเพื่อรมรึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้ทำคุณงามความดีเอาไว้เหมือนกับเราระลึลกถึงวันวิสาขาบูชาอย่างนั้นแหละเราทำไมจึงได้ทำวันวิสาขาบูชาพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วทาไมเราจึงท ที่รำทำอย่างนั้นก็เพื่ อ, อบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีบุญคุณต่อโลกที่เราเระลึกถึงหรือว่านําของคุณแม่ชีแก้วมาอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่ก็คือลําลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้สั่งสมคุณงามความดีได้มีเมตตาต่อลูกหลานญาติพี่น้องมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนถึงอายุถึง96ปีท่านจึงได้ละสังขารก่อนหน้านั้นท่านก็ได้เมตตาสังสอนลูกหลานพอสมควรผู้ที่ไปเกี่ยวข้องได้กราบได้ไหว้ท่านเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เป็นวันละสังขารของคุณแม่จึงยกเป็นประเด็นหลักจากนั้นพวกเราก็น้อมจิตุทิดส่วนกุศลถึงผี่น้องลูกหลานของใครของเรา ตลอดถึงผู้ที่มาร่วมสร้างวัดของหลวงพ่อที่ได้ล้มหายตายจากไปก็มีมากมายมีทั้งพระมีทั้งญาติโยมเพราะไปตามอายุสังขารเก็บไข่ได้ป่วยก็มีเท่าแก่ชรลาล่วงรับดับขันไปก็มีเพราะนั้นปีหนึ่งก็น่าจะมีจักครั้งหนึ่งเพราพวกท่านเหล่านั้นก็ได้ช่วยวัดว า, าศาสนา ได้ออกทุนทรัพย์ได้ออกกําลังกายกําลังทรัพย์เพื่อสร้างเสนาสนะสงฆ์ให้เกิดขึ้นในวัดของพวกเราพวกเราก็ได้สะดวกสบายเพราะทุนทรัพย์หรือกําลังกายท่านเหล่านั้นเพราะฉะนั้นปีหนึ่งพวกเราก็ควรจะอุทิศส่วนกุศลทางว่าท่านเหล่านั้นยังติดขัดติดข้องยังไปไหนไม่ได้คือยังไม่มีทุนที่จะเดินทางไปได้ พวกเราก็อุทิศสวนกุศลให้ท่านเหล่านั้นอันนี้คือความหมายที่จะทำบุญอุทิศสวนกุศลในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านที่มาร่วมทำบุญอย่างวันพรุ่งนี้ก็ให้น้อมจิดอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอธิบายให้พวกเรารับรู้ ร, ร, รับทราบเพราะพวกเราเกิดมาในพบนี้ชาตินี้เหมือนกับชาติก่อนก็เหมือนกันต้องมีวงศาคณาญาติต้องมีพ่อมีแม่ มีปู่ย่าตายายแต่ท่านเหล่านั้นยังตกทุกข์ได้ยากอยู่พวกเราเกิดมาในพบนิชาินี้เดพบพระพุทธศาสนาได้มาพบแล้วก็ได้ทาบุญกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็พวกเราควรจะน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นด้วยนะ อันนี้ ค, คือความหมายที่พวกเราจะทําบุญอุทิศวันพุงนี้นะแต่วันนี้หลวงพ่ออยากจะพูดในเรื่องที่หลวงพ่ออยากจะพูดมานานเหมือนกันนะเพราะกลัวพี่น้องประชาชนจะเข้าใจผิดแต่ตามไม่จริงเรื่องนี้เป็นเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เป็นในปัจจุบันแล้วก็พร้อมที่จะปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่ ไม่มีใครที่จะรู้ได้แต่ตามไม่จริงผู้ที่เข้าใจถูกก็มีผู้ที่เข้าใจผิดก็มีเกี่ยวกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของพวกเราแต่ตามไม่จริงเราจะไปพูดในสถานที่อื่นมันก็ไม่เหมาะเราจะไปพูดในที่บ้านในที่สาธารณะก็ไม่เหมาะแต่หลวงพ่อใน อยากจะพูดให้แก่พวกญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องของหลวงพ่อที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเพื่อทำความเข้าใจถ้าเผื่อว่ามีความเข้าใจผิดก็จะได้เข้าใจถูกแล้วก็ให้มองมองหลายๆบม ม, มองหลายๆด้านอย่าไปมองด้านเดียวถ้าว่ามองด้านเดียวนั้นอาจจะผิดเป๋ ح, ไปก็ได้เหมือนเราเดินทางเดินทางไกลยอย่างเนี้ย อย่างนั่งรถจากอุดรถึงหนองคายอย่างนี้ถ้าเราอยู่ทางด้านซ้ายเราก็จะมองเห็นแต่ทางด้านซ้ายว่าบ้านเมืองเป็นยังไงยังไงเรามองเห็นแล้วเราก็จะบอกว่าเมืองอุดรหนองคายเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องนั่งจากหนองคายกลับมาอุดรแล้วก็มองทางด้านขวาหรือว่าเรานั่งทางด้านขวาอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะมองเห็นว่าเออเมืองอุดรเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือมองให้รอบด้านเสร็จแล้วจึงเอานํามาพูดว่าถนนโขนทางมันเป็นลักษณะอย่างนี้บ้านเมืองทั้งสองฝากมันเป็นอย่างนี้สรุปแล้วก็คือให้ใช้ปัญญาพิจารณามองได้หลายด้านได้หลายมุมถ้าว่าเรามองด้านใดด้านหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งอาจจะคว ẩ ้แขวะอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะผิดพลาดก็ได้เพราะฉะนั้น มันเรื่องที่ผ่านมาก็จริงแต่มันก็ฝังอยู่ในจิตใจของพี่น้องประชาชนพอสมควรอย่างหลวงพ่ออยากจะพูดได้ก็คือพูดเกี่ยวกับองค์หลวงตาหลวงตามหาบัวที่เป็นที่รักเคารพของหลวงพ่ อ, อย่างสุดซึ้งคือหลวงตามหาบัวที่หลวงพ่อจะกล่าวถึงนี้หลวงพ่อเขาอยู่อยู่กับท่านเป็นเวลาสิบสามปี หลวงพ่อไม่เคยตำหนิว่าหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านไม่ปฏิบัติดี ป, ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบในใจของหลวงพ่อไม่มีเวลาขณะที่อยู่กับท่านดูท่านแล้วท่านไม่ได้ยุ่งเหยิงกับผู้คนท่านอยู่แบบลําพังแต่ถ้าว่าเข้ามาแล้วกับพูดในขณะที่ควรพูดพอพูดจบแล้วก็หลบของท่านไปอยู่ตามลําพังสรุปแล้วก็คือท่าน ไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงในการเป็นอยู่ของท่านในส่วนตัวของท่านแล้วเป็นพระผู้เท่าที่สมรรมากตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ว่าการดูดาว่ากล่าวเรื่องเกี่ยวกับธรรมวินัยนั้นละเอียดยอมรับหลวงพ่อเองไม่ได้ประมาทครูบาอาจารย์องค์อื่นแต่หลวงพ่อได้เข้าไปอยู่กับท่าน หลวงพ่อว่าหลวงตามหาบัวนี่ละเอียดทุกด้านรอบคอบทุกอย่างเพราะนั้นที่หลวงพ่อจะกล่าวถึงนี่ก็คือเรื่องที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี2540เกี่ยวกับโครงการช่วยชาติการที่หลวงตาจะออกมาช่วยชาติในคราวนี้หลวงตาก็คิดแล้วคิดอีกทั้งภายนอกทั้งภายในของท่าน แต่ทีแรกคนทั้งหลายก็เห็นด้วยก็มีไม่เห็นด้วยก็มีแต่หลวงพ่อเองก็กล้ำกลึงเหมือนกันพออรางคนมาอธิบายให้ฟังกับหลวงพ่อเออใช่แต่ตามไม่จริงที่หลวงตาจะช่วยชาติจะเอาเงินเข้าไปในคลังหลวงนั้นถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนกับเม็ดทรายถมลงในมหาสมุทรทะเลก็จริงอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่น้อย แต่ลงตาทาไปนั้นถ้าพิจารณ า, นานดูให้รอบครอบแล้วมีประโยชน์ทางด้านจิตตะจิตวิทยาคือในเมื่อประกาศออกไปลงตาก็ได้รวบรวมจจตุปัจจัยจากพี่น้องประชาชนอันนี้ก็คือการประกาศแล้วขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบเดี๋ยวนี้วิกฤตเกิดขึ้นมาแล้วในชาติของเรา เหมือนกับเราเข้าอยู่ในเรือสะเพาใหญ่ลำหนึ่งขณะนี้เรือสะเพาใหญ่ของเราน้ำกำลังรั่วเข้ามาคนในชาติควรจะทำตัวอย่างไรควรจะช่วยกันปิดปดร้รั่วอย่างไรคนไหนควรจะวิดน้าออกควรจะวิดน้ำอย่างไรอันนี้คือหลวงตาออกไปประกาศในครั้งนี้ให้ทุกคนอยู่ในความสงบ อย่าไปเดินขบวนอย่าไปต่อต้านอย่าไปอะไรทั้งหมดเพราะมันเป็นวิกฤตของโลกของประเทศชาติใครคาดไม่ถึงแต่นี้ลงตาก็ประกาศไปเทศสนาว่าการแต่การรับจะตุปัจจัยก็มีเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเป็นจิตตาวิทยาอันหนึ่งประเทศชาติของเราไปอยู่ในสถานที่ใดก็สงบพร่อมเย็นในที่มันจะเกิดอย่างนั้นในยุคนั้นกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือครูเขาพิตกกังวลเหมือนกันว่าจะไม่ได้รับเงินเดือนถึงขนาดนั้นจากนั้นพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระป่าทั้งหลายที่ได้รับโอวาทจากครูบาอาจารย์ที่ท่านองคาได้แนะนำสั่งสอนก็เอามาเผยแผ่ตีแผ่อย่างหลวงพ่อนำมาพูดอย่างวันนี้ล่ะเรือว่ า, าครั้งก่อนๆก็กกพวกพวก็พูดอย่างเนี้ย พวกเราให้อยู่ในความสงบเน้อบ้านเมืองเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละนะต่างคนก็ต่างบล็อกต่างคนก็ต่างพูดกันอยู่ในความสงบอันนี้ก็คือได้พูดกันอันนี้ก็คืออันหนึง่งจากนั้นท่า น, า น, านก็ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดญาติโยมลูกหลานไปสถานที่ใดพวกเราคงจะเคยเห็นเท่ามีคนคิดว่าเอ้ยลงตาไปครั้งเดียวใช่คนตื่นคนเหอกัน ไปครั้งที่สองท้อคอยดูเถอะเป็นยังไงไปครั้งที่สองยิ่งมากกว่าครั้งที่หนึ่งไปครั้งที่สยิ่งมากกว่าครั้งที่สองถ้าหลวงพ่อว่าถ้าไม่ใช่บุญวัดศาสนาบารมีของหลวงตาแล้วจะว่าอะไรเป็นบุญวัดศาสนาบารมีของท่านได้สั่งสมมาดีแล้วเพราะฉะนั้นท่านไปในสถานที่ใดมีแต่ญาติโยมรักครบรัฟังธรรมเทศนาของท่าน เราเคยเห็นที่ไหนเวลายาติโยมไปฟังเทศตากแดดแดดร้อนเปรี้ยงไปนั่งอยู่กลางแดดเหงื่อแตกเหงื่อไหลยังนั่งนิ่งไม่มีใครพูดใครอะไรเลยฟังด้วยความเคารพนับถือจริงๆหลวงพ่อเห็นแล้วหน้ารื้มปีติว่าธรรมเทศนาขององค์หลวงตาเนี่ยเข้าสู่จิตใจของพี่น้องประชาชนได้ลึกพอสมควรตลอดถึงธรรมเทศนาของท่านก็เกลนจิตกินใจ นำมาประพฤติปฏิบัติกับตนเองครอบครัวประเทศชาติปานเมืองก็ได้รับความร่มเย็นเป็นจุขอันนี้ก็คืออันดับหนึ่งได้ทางจิตวิทยาจากนั้นก็ได้นำทรัพย์สมบัติเข้าไปสู่คลังหลวงการที่จะนําทรัพย์เข้าไปในคลังหลวงครั้งแรกหลวงตาก็บอกว่าให้นําทรัพย์เข้าไปสู่คลังหลวงแต่ผู้นําเข้าไปนั้นผู้รับนั้น กนรับไม่ใช่เอาเข้าคัางหลวงเองเอาไปสลปไปที่อื่นตอนนี้มันก็เลยมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเดินกระบองเดินขบวนบกันเกิดขึ้นก็หาวัดหลวงตาเนี่ยยุ่งเหยิงปนไวเอาให้แล้วก็ไม่แล้วมันจะแล้วได้ยังไงเพราะเอาเข้าบัญชีผิดเหมือนกับบัญชีกระแสรายวันบัญชีออมชัพ บ, บัญชีฝากประจำหลวงตาอยากอยากเอาเข้าบัญชีฝากประจําแต่เขา เอาไปสลัไปที่กระแสรายวันมันผิดประเภทของหลวงตาในเมื่อหลวงตาเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำํำเราจะไปยอมได้ยังไงพวกเงินอันนี้เป็นเงินของพี่น้องประชาชนหลวงพ่อยกมือให้เลยว่าหลวงตานไม่ยอมอในเมื่อรับเงินเข้ามาแล้วอยจะเอาเข้าคลังหลวงทําไมออกไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงมีการการเดินขบงเดินขบวนกันขึ้นในครั้งนั้นจนมีเรื่องมีราวแต่ผลในสุดทางรัฐบาลก็เฉย บอกว่าเอาเงินเข้าคังหลวงไม่ได้ถ้าเอาเข้าไปก็ต้องแก้กฎหมายใหม่แต่ตามไม่จริงมันกโง่เกินไปทําไมจึงว่าโงา่นะหลวงพ่อว่าเขาจะเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองต้องมีหลักการซะก่อนต้องมีหลักการซะก่อนจึงเอาเงินเข้ากระเป๋าเราได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลยุคนั้นมืองจึงตุ๊บัตตุปเปมันจะแย้งเอาให้ได้เพราะคนบริหารจัดการไ ม, ไม่ถูกต้องหลวงพ่อว่านะ ถ้าเมื่อเขาเอาเงินเข้ากระเป๋าเราเขาจัดเข้าไปในกระเป๋าเราเออย่อยไฝ่ว่ากันใหม่ว่ามันไม่ผิดตรงไหนมันถูกตรงไหนเอาเงินเข้ากระเป๋ไว้ก่อนอันนี้บอกว่าไม่ได้เอาเงินเข้าอย่างนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่าเอาเข้าถ้าเอาเข้าเขาเข้ามาให้กรมเอแบงค์ชาติพิมพ์ธนบัตรอะไรลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่ลงตามไม่เห็นด้วยที่จะเอาไป ใช้อย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างนั้นอย่าเอาเข้าไปฝากประจำกองทุนใหญ่นี่แหละมันมีเรื่องเกิดขึ้นถ้าพวกเราอยู่บ้างนอกแล้วพวกเราจะไม่เข้าใจแต่ทีนี้พอผู้ว่าแห่งชาติคนใหม่คนปัจจุบัน น, งง น, น 27, นะี้เข้ามาเขาก็มากราบลงตาเพราะเป็นลูกศิษย์ของลงตาบวชในพรรษาปี2527นะเข้าเมาลงตาพบเจะจัดการ ให้ให้เข้าถูกต้องแต่นี้เขาก็ไปตรวจดูโอ้ใช่มันจริงอย่างที่หลวงตาพูดจริงๆมันสลปมันไม่เข้าตามเป้าหมายเออเพราะนั้นเขาก็จัดการเอาเข้าคลังหลวงซะจากนั้นก็เอาสลิปใบฝากถูกต้องออกมาถวายหลวงตาหลวงตาก็หยุดพูดเลยตั้งแต่บัดนั้นเพราะมันถูกแล้วอันนี้แหละหงพ่อว่าผู้นำที่ดีต้องเป็นอย่างนั้น ในเมื่อรับเงินจากพี่น้องไปชายชนมาแล้วเราจะไปทิ้งที่อื่นไม่ได้ในเมื่อเราถ้ามันถ้าเราไม่แน่จริงถ้าเราไม่เก่งจริงเราจะไปรับเขามาทำไมในเมื่อรับเขามาแล้วก็ต้องส่งถึงที่ว่าเอาเข้าคลังหลวงต้องเอาเข้าคลังหลวงนี่หลวงพ่อว่านี่หลวงตาทำถูกจุดนี้อันดับที่สองต่อมาเขาก็จะเอาเงินในคลังหลวงที่เป็นก้อนที่รัชการที่ห้าเอาไว้ถึงห้าหแสนล้าน จะเอามาใช้นี่ IMF สมัยนั้นแต่หลวงตาก็ห้ามเอาไว้อีกอยา่าออกมาในเงินก่อนนี่ถ้าออกมาบ้านเมืองแย่มากนี่หลวงพ่อนั่งอยู่นี่มีนักบัญชีตั้งหลายหลาย10คนบอกว่าหลวงตาไม่ได้เรียนบัญชีทําไมไปหายุ่งกับเขาทําไมไปหายุ่งกับเรื่องเขาที่ได้ไดเรียนมาแล้วอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อนั่งอยู่นี่มีหลายคน แต่หลวงพ่อกลว่าฟังไปก่อนใจเย็นฟังไปก่อนหลวงตาท่านมีเหตุผลของท่านถึงท่านจะไม่มองไม่เห็นข้างนอกสิ่งใดก็ตามเมื่อเรามองไม่เห็นแต่หลวงตาอาจจะมองเห็นเนีมองเห็นกว่าเราเพราะฉนั้นต้องเชื่อหลวงตาไปก่อนท่านต้องมองเห็นว่าสิ่งไหนที่มันจะเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์สรุปแล้วก็ท่านไม่แห้ออกมา ขาวนี้ก็มีการต่อด้านกันขนาดหนักเหมือนกันอันนี้ก็คือคลังหลวงแต่ถ้าว่า อ, าออกมาในครั้งนั้นถ้าว่าเอาเงินคลังหลวงออกมาใช้รัฐบาล น, นี้ออเอาออกมาใช้ถ้าหาว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อคนอื่นเ็้ามาเป็นรัฐบาลต่อรัฐบาล น, นี้ก็จะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของข้าเพราะรัฐบาลก่อนเขาออกมาใช้รัฐบาลของข้าไม่ไม่ได้ออกมาใช้ ผลที่สุดเงินก่อนนั้นสิ่งนั้นมันจะตกเป็นผลดีสำหรับใครมันก็ตกสู่พี่น้องประชาชนคนในชาติของเราเหมือนกันอันนี้ก็คือที่หลวงตาห้ามมาไว้หลวงพ่อเขาว่ามีเหตุผลเเหมือนกับในตระกูลของเราครอบครัวของเราพวกเราควรจะมีเงินไว้ในครอบครัวของเราไม่ใช่เหรอมรการครอบครัว ไม่ใช่ว่าจะเอาเงินมาถลุงมาลงทุนไปหมดจนไม่มีเหลืออะไรสักบาทสักสตางค์มีแต่ลงทุนไปหมดเงินประกันชีวิตของคนครอบครัวไม่มีเงินฝากไว้ไม่มีเงินเก็บไว้ไม่มีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกลางค่ากลางคืนละ่ะเราจะใช้เงินที่ไหนอันนี้ก็คือถ้าจะใช้แบบธรรมชาติหรือว่าเป็นหลักเศรษฐศาสตร์แบบครอบครัวของเราในนี้ครอบครัวใหญ่ อันนี้ก็ถ้าหากว่าเอาเงินก่อนนั้นออกมาใช้เกิดศึกสงรามขึ้นมาล่ะเราจะไปยืมเงินจากประเทศไหนมาใช้ในขณะนั้นไม่เงิ น, เ ง, นเงินตัวเองไม่มีอันนี้ก็หลวงตาพูดถูกแต่เมื่อผ่านไปแล้วไม่มีใครออกมายืนยันเลยว่าโอ้ยถ้าหากว่าหลวงต า, าไม่คัดค้านนะเอาเงินออกมาถลุงในค่าวนั้นบ้านเมืองคงจะไปดีกว่านี้เจอะแยะไม่มีใครออกมาพูดหายเงียบไป อันนี้ก็เป็นอันที่สองอันที่สามก็คือการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชอันนี้ก็หลวงพ่อก็อยากจะพูดเหมือนกันที่หลวงตาออกมาคัดขานหลวงตาท่านมองไกลนะตามไม่จริงสมเด็จพระสังฆราชท่านจะว่าไปแล้วก็เป็นเพื่อนของหลวงตาเป็นเพื่อนสนิทกันทีเดียวหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบ้านตาดสมเด็จพระสังฆราชสมัยนั้นท่านยังเป็นยังเป็นรองสมเด็จท่านก็มา พักที่บ้านตาดทีละอาทิตย์สองอาทิตย์ปีหนึ่งก็สองสาครั้งสรุปแล้วก็คือเป็นหมู่เป็นเพื่อนของหลวงตาแต่มาบัดนี้สมเด็จพระสังฆราชท่านประชวนท่านป่วยหลวงตานี่ก็ทําหน้าที่เพื่อนที่ดีหลวงพ่อว่านะเพื่อนที่ดีในเมื่อเพื่อนเจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่เรารู้เนี่ยเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือ ว่าจิิงไหนผิดจริงไหนถูกสิ่งไหนควรไม่ควรแต่ตามไม่จริงที่องค์สมเด็จพระสังฆราชถ่าจะป่วยจริงหนักหนาอย่างไรแต่ว่าตามไม่จริงหน้าที่คือสมเด็จพระสังฆราชคือในหลวงเป็นผู้แต่งตั้งเป็นผู้เป็นพระผีเลี้ยงของในหลวงอีกในหลวงเป็นผู้สนิทสนมกันกับสมเด็จยานสังบอนท่านนี้ แต่ว่าเมื่อท่านป่วยเมื่อท่านป่วยทางรัฐบาลก็จะเข้าไปควรจะเข้าไปถามถามหน่วยแพทย์ทำหนังสือไปถามหน่วยแพทย์ก็ได้แพทย์ตุลานบเออส้มดทธประสังคราชเป็นยังไง ป, ป่วยประสวนหนักไหมทำหน้าที่ได้ไหมอย่างเนี้ยถ้านหน่วยแพทย์ก็บอก ย, ยืนยาอมาว่าคงไม่ได้ป่วยจริงทำหน้าที่ไม่ได้ ในเมื่อทำหน้าที่ไม่ได้ทางรัฐบาลก็ควรจะเข้าไปกราบทูลในหลวงว่าเออสมเด็จพระสังฆราชได้ถามหน่วยแพทย์ดูแล้วท่านป่วยปัะสุนหนักควรจะทักแต่งตั้งองค์อื่นทำหน้าที่แทนพระสังฆราชได้ไหมออในหลวงท่านก็จะพิจารณาด้วยพระ อ, องค์เองว่าสมควรจะแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งอย่างไรอันนี้คือความถูกต้องหลวงพ่อว่านะ อันนี้ไม่มีใครเข้าไปถามว่าสมเด็จพระสังฆราชป่วยจริงหรือไม่มีแต่มัวเมียแล้วประกาศว่าสมเด็จพระสังฆราชป่วยจากนั้นก็ประกาศแต่งตั้งออกมาไม่ได้ผ่านในหลวงเลยอันนี้หลวงพ่อว่ารัฐบาลรรมไม่ถูกต้องในจุดนี้จากนั้นก็หลวงตาก็ออกมาต่อต้านหลวงตาต่อต้านไม่ใช่ต่อต้านธรรมราท่านมองไกลถึงว่าต่อไปถ้ารรัฐบาลเป็นผู้มีความสามารถแต่งตั้ง สมเด็จพระสังฆราชหรือว่าแต่งตั้งสมเด็จองค์อื่นๆได้ต่อไปภายภาคหน้าอยากจะตั้งองค์ไหนก็ตั้ง เ, เพราะว่าเสนอขึ้นไปถึงในหลวงในหลวงก็จะทำอย่างไงได้เพราะว่าอย่างผู้แทนรัษฎรเลือกท่านผู้ใดขึ้นเป็นนายกเสนอขึ้นไปในหลวงก็ต้องลงพระประมาผิไทยจะไป แสดงความคิดเห็นได้อย่างไรอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นถ้าว่าท่านแต่งตั้งสมเด็จขึ้นมาองค์ไหนจะแต่งตั้งรองสมเด็จองค์ไหนเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคองค์ไหนรัฐบาลเป็นคนเสนอขึ้นไปโดยที่ในหลวงไม่ได้เป็นพระราชตำริดของในหลวงเองหลวงพ่อว่าเนี่ยรัฐบาลมีอำนาจเกินไปต่อไปอยากจะตั้งองค์ไหนก็ตั้งตอนี้พระ เจ้าฟ้าเจ้าคุณองค์ไหนอยากจะเป็นสมเด็จอยากจะเป็นเนี่ยเขต้องวิ่งเข้าหานักการเมืองพอวิ่งเข้าไปหาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นทีก็ต้องว่าจา่าคอร์รัปชันจะขึ้นเ ก, เกิดขึ้นในวงการสงในบาน้านหลวงตามหาบัวท่านคิดมองไกลถึงขนาดนั้นแหละอพอเขาอยากจะเป็นสมเด็จอยากจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเขาไปจ้างนักการเมืองนักการเมืองก็เสนอขึ้นไปแล้วก็ะแต่งตั้งออกมาแล้วพวกเราจะกราบลงนะ จะกลับได้ไหมแอบกลาบพระที่เสนอตัวเองให้เป็นสมเด็จจ้างตัวเองให้เป็นสมเด็จหรือว่าจ้างให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณขึ้นมานี่แหละวงการคอรับชันจะเกิดขึ้นมาในสงอันนี้ก็คืออันหนึ่งนะหลวงพ่อพูดอย่างรวบรัดให้พวกเราได้สังเกตอันนี้เป็นคือว่าจริงไหมหรือไม่จริงเพราะนั้นเป็นอันนั้นเรื่องอนาคตเราจะรับรองอย่างนั้นไม่ได้แต่อันนี้เป็นแถวแนวแถวแนวที่จะต้องเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่เป็นลูกศิษย์ลูกค้าญาติโยมที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่ให้มองด้านเดียวให้มองลหลายๆด้านอย่าไปตําหนิหลวงตาเพราะหลวงตาเนี่ท่านมีเจตนาดีต่อประเทศชาติปานเมืองต่อโลกท่านเสียสละจริงๆช่วยเหลือเรื่องอะไรต่างๆโร ง, ง, งพยาบาลโรงพยาบาลถ้าเราอยู่ใกล้ท่านแล้วเราจะรู้ได้ว่าหลวงตามี จิตใจที่บริสุทธิ์มีแต่ช่วยเหลือชุมชนสังคมประเทศชาติอย่างวัดหลวงพ่อนี่ก็เถอะท่านมองแล้วท่านก็มาช่วยลหลายๆอย่างอย่างกำแพงที่หลวงพ่อประกาศอยู่ที่หน้าวัดนั่นอันนี้ก็คือท่านมองเห็นไกลเพื่อไม่ให้สัจสาลีสิ่งได้ถูกทำร้ายแล้วก็เขตวัดก็ให้อยู่ในสถานที่ถูกต้องเพราะมีกำแพงกั้นไว้อยู่ อันนี้ก็คือการสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์อขององค์หลวงตาอันนี้ก็คือพวกเราให้ช่วยๆกันคิดกันพิจารณาอันดับที่สหลวงพ่อพูดอย่างรวบรัฐคือหลวงตาท่านมีท่านแสดงธรรมไปท่านระลึกถึงเก่าเรื่องเก่าที่ท่านต่อสู้กับกิเลสที่วัดดอยธรรมเจดีในเทศกนนั้น ท่านน้ำตาร่วงอันนี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารกันไม่ใช่น้อยเหมือนกันอันนี้หลวงพ่อก็กลัวคนจะตกนรกเหมือนกันนะจนถึงมีพระมาจากไต้หวันมาพูดให้หลวงพ่อฟังพูดไทยก็ไม่ชาดกับพระพระไต้หวันทางอาจางหลวงตาน้ำตาล่วงเขานั่งรู้สึกว่าคงพระท้งไต้หวันเขาวา หลวงตามหาบัวไม่ใช่พระลาหังถ้าพระลาหังแล้วจะไม่น้ําตาจะไม่หลงจะไม่มีกังเสียใจจะไม่กังไม่มีกังดีใจพกผงก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยไม่รู้จะสองสเขาอย่างไงเออเราได้ฟังเออไม่ใช่มันไม่ใช่แต่เฉพาะเมืองไทยอย่างเดียวมันทะลักไปเมืองถึงเมืองนอกเมืองนาเหมือนกันเรื่องนี้ต่ตามไม่ยิงหลวงพ่อ ถ้าหลวงพ่อพูดนะหลวงพ่อก็ไม่ใช่พระละหันหรอกแต่ว่าหลวงพ่อนี่ชี้แนะแนวให้มองดูคําว่าร้องไห้ของหลวงตาเนี่ยกับร้องไห้สําหรับปุตชลเนี่ยมันคนละเรื่องกันถ้าว่าการร้องไห้พระละหันหัวเราะได้ไหมพระละหันหัวเราะได้ไหมถ้าใครยังหัวเราะ อ, อยู่แสดงว่าระงับอารมณ์ตัวเองไม่ไม่อยู่ไม่ใช่พระละหัน อย่างนั้นใช่ไหมพระราหันต้องไม่ร้องไห้ต้องไม่หัวเราะต้องอยู่แบบซื่อบือ้ออยู่เฉยๆอย่ยจึงจะเรียกพระราหันใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะครูบาอาจารย์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงข่าวดุท่้งกะดุถึงข่าวด่าท่างกะดา่าถึงข่าวหัวเราะท่านกหัวเราะได้เพราะอันนี้เป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของอุปนิสัยบุญวานสนา มีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวที่บุตรลบุญละวาสนาได้พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าจะว่าไปท่านไม่ยิ้ ม, มะนะเลยไอ้ท่านไม่หัวเราะนะเออท่านไม่หัวเราะเหมือนกับท่าสงทั่วทั่วไปไอ อ, อย่างที่เทพพระพุทธเจ้าท่านไป เ, เห็นสันตติมหาอามาตย์สันตติมหาอามาตย์เป็นอามาตย์ของพระเจ้าพระเสียรที่กศล ไปลบชนนบทชนะกลับมาพบเจ้าปัสเสณที่โกโกศลปูนบำเหน็ตให้ถ้าว่าท่านมาแล้วเราจะมอบสมบัติราชบัลลังก์ให้เป็นพระเจ้าเป็นดินเจวันตินันตติมหาอามาตย์จะทำยังไงจึงจะให้มีความสุขที่สุดในเจวันนั้นก่อนหนีไม่พ้นเรื่องสุรานารี เออมาเข้ามาก่อนจากนั้นก่อนเรื่องสนุกสนานเอฮาล่องลาทําเพลงอะไรที่จะเป็นเครื่องสนุกสนานสันตติมหาอัฏมฐม์เอาหมดทุกอย่างไว้กันเถอะเพราะได้เป็นพระเจ้าไปดินชั่วคราวเจ็ดวันออพอในสุดวันที่ 7, เจ็สันมตติมหาอัฏมฐ์นั่งคอช้างมาเพื่อจะไปอาบน้ํา เ, เล่นน้ําสนุกสนานในฝั่งแม่น้ำซะก่อนก่อนที่จะหมดเขตที่เป็นพระเจ้าไปดินเจดวัน แปลว่าอยู่ในคอช้างก็จะตกคอช้างอยู่แล้ ว, ว ง, งั้นเถอะเพราะเมามากพระพุทธเจ้าไปบินทบาทกับพระอานนุ์สวนทางเข้าไปพระพุทธองค์องมองเห็นสันทติมหาามาตย์อยู่บนคอช้างสันทติมหาามาตย์เห็นพระพุทธเจ้าก็ประงกคอสแสดงความเคารพว่า ง, งั้นเถอะพระพุทธองค์ก็ยิ้มยิ้มของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งมีความหมายท่านแย้มพระโอษยิ้มแย้มพระโอษพระอานนุ์ก็ถาม พระพุทธองค์แย้มพระโอส์ด้วยเหตุอะไรหนอพระเจ้าค่ะจึงแย้มพระโอสถพระพุทธองค์บอกว่านี่เห็นไหมสันตติมหาอมาติเขาเมินเมาเขาลุ่มหลงแต่ว่าวันนี้เขาจะได้สําเร็จเป็นพระหรหันธ์นะเขาจะได้ตัดสรู้ได้สําเร็จเป็นพระหรหันธ์เมื่อได้ฟังธรรมคนทั้งหลายได้เห็นเลยเที่ยโอ้โหสันตติมหาอมรตเมาแปรถึงขนาดนี้จะทําตน ภาวนาให้สำเร็จเป็นพระอรหันนั้นจะเป็นไปไ ด, ได้หรือเป็นไปไม่ได้ไอ้พวกที่มาจับเท็จก็มีคนที่มาดูพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าก็มีท่นี่จากนั้นจัตติสีมหาหมาดก็ไปเล่นน้ำจากนั้นพัญญาของเข า, เาที่นางที่ถูกอกถูกใจไม่ได้กินน้ำกินข้าวได้เจ็ดวันมีแต่ร้องรำลัมธรรเพลงเป็นลมล้มพับลงก็ตาย พอตายในขอเขาคิดถึงมากเขาเลยหายจากส่างเมาเหมือนกันเถอะพิดเล่าหายไปหมดร้องให้ขึ้นมาจะเนี่ไม่คิดถึงใครคิดถึงแต่พระพุทธจเจ้าเรากราบไปกราบพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังเขาก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อสําเร็จเป็นพระอรหันต์ใครจะรู้ว่าท่านเป็นได้สําเร็จใช่ไหมเพราะอยู่ในหัวใจของท่านพระพุทธองค์บอกสัน ต, ติเธอควรจะแสดง อิจติลิศให้เขาหายสงสัยและก็ประกาศอุปกรรมของเขาด้วยในอดีตชาติเขาทาอะไรสันทติมหาบาดก่รับคำผู้ใดเจ้าพระเจ้าค่ากับผมจะได้ประกาศบุปกรรมของตนเองในอดีตจากนั้นก็พอกราบพระพุทธเจ้าถอยมาและก็เหอะขึ้นบนอากาศแล้วก็มากราบพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุปกรรมของข้าพรเจ้าในอดีตชาตินั้นคืออะไรจากนั้นก็อําลาพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ จะลาปณิธานแล้วในขณะที่เป็นโยกจากนั้นก็หอกขึ้นบนอากาศเหมือนกับบ้องไฟอย่างนั้นควันตัวตัวตวลงมาเป็นกระดูกตกลงมาปองแปงปองแปงอันนี้คือพระพุทธเจ้ายิ้มยิ้มมีความหมายมีหลายๆอย่างที่พระพุทธองค์ยิ้มอันนี้มาพูดถึงร้องไห้ าการร้องไห้เขาเออกมาจากจุดเดียวไม่ใช่เลยเออกมาจากใจดวงนั้นเป็นอาการของของใจของท่านท่านเกิดความสรดสังเวชใจอย่างพระหันอย่างท่านพระสารีบุตรถึงท่านจะเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านเดินข้ามโครงข้ามคลองเนี่ยท่านกระโดดกระโดดเลยพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นพระหัน ไม่น่าจะเดินแบบนี้ไม่น่าจะกระโดดแบบนี้มากราบพระพุทธเจา้าพระุทธองค์บอกว่าสารีบุตรเคยเป็นลิงมาก่อนเพราะนั้นไปที่ไหนชอบกระโดดเห็นคลองเนี่ยกระโดดเลยเพราะงั้นกระโดะะโดข้ามคลองเป็นนิสัยเก่าเป็นลิงมาติดพบติดชาติมาหลายร้อยชาติเพราะนั้นละไม่ได้เพราะนั้นการละ บุญรัสนาบัลลีเนี่ยคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเปลี่ยนนิสัยของตัวเองได้เมื่อนั้นอกจากนั้นเปลี่ยนไม่ได้เหตุเพราะนั้นอย่างหลวงพ่อเองเคยอยู่กับครูบาอาจารย์ลหลายท่านก็เคยเห็นอย่างอย่างนี้เหมือนกันนะแต่หลวงพ่อไม่เคยตำหนิแล้วก็ไม่เคยที่จะพูดไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นที่ท่านทำมาการอย่างนั้นเพราะทําท่านทําได้ลหลายอย่าง อย่างท่านอาจชิชิมุนคือเช้าเดี๋หลวงพ่อเคได้พูดท่านอาจิชิเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายโกนทายาวประปะมหานามาอาจชิชิองค์อัจิชิเนี่ยพออายุแก่ขึ้นมาท่านหลงลืมแต่ตามไม่จริงท่านก็รู้แก่ใจว่าการหลงลืมนั่นคืออะไรทัปตะพันพระรหันเนี่ยไม่ไม่งงเหมือนปุตุชนเหมือนกันแต่นี่กลัวจะปุตุชนจะเป็นบาป พระที่ลุกสิทธุลุกหาปฏิบัติใกล้ชิดเอาทําไมพระหรหันต์ถึงหลงได้ทําไมจึงลืมได้ตามไม่จริงพระหรหันต์ต้องมหาสติมหาปัญญาต้องรอบรู้รอบชิดอยู่ตลอดแต่ทําไมท่านอาเจชีนี่ทําไมหล ง, ล, ล, ล, งลืมนู่นหลงลืมนี้เนีพระอาเจชีก็บอกว่าให้พวกท่านทั้งหลายไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยซิว่าทําไมเราจึงลุ่มหลงอย่างนี้เนีขอให้ไ ป, ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าด้วย เราทำไมจึงหลงอย่างนี้ลืมอย่างนี้พระสงฆ์หลายก็ไปกราบภูมพผูดใดเจ้าวาท่านอาชิชีให้พวกข้าพระองค์มากราบภูมถามพระพุ้ใดเจ้าว่าท่านอาชิชีนี่หลงหลืมทาไมที่ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วทำไมจึงมีการหลงหลืมเพราะโตองบอกว่าให้ไปถามอาชิชีดูสิอริยะสัจสีในหัวใจของท่านท่านลืมไหม หาว่าไม่ลืมอันนั้นแหละจุดนั้นแหะคือพระหันจุดอื่นนี่เป็นเรื่องสังขารความจําได้หมายรู้มันเป็นสังขารอนิจังของไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่ใช่สัญญาณิจจาสัญญาอนิจจาสัญญาก็เป็นอนิจังเหมือนกันสังขาราความปรุงแต่งก็เป็นอนิจังเหมือนกันเป็นเป็นสัญญาอนิจจาเหมือนกันเพราะนั้น สัญญาและสังขารเหล่านั้นไม่ใช่พระหรหันต์แต่สิ่งที่เป็นพระหรหันต์ก็คือท่านพิจารณาถึงอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมาเกตดให้เกิดทุกท่านหลงไหมจุดนั้นท่านลืมไหมจุดนั้นพระอาจจะชีบ้บอกว่าไม่มีลืมเลยแน่นปึงในหัวใจอริยสัจแน่นปึงในหัวใจไม่มีลืมพระพุทธองค์ว่านั่นแหละไม่หล ง, ไ ม, ล ง, ไ, มลงไม่ลืมจุดนั้นพอจุดอื่นจะเป็นยังไงก็ มันเป็นเรื่องของสังขารสัญญาปัอย่าไปติดยิดกับสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็คือท่านสอนลูกศิษย์ของท่านอาจารยชิแบบไกลๆว่ า, างั้นเถอะเออแต่ท่านเป็นพระหรหัตท่านอาจารชีเป็นพระหรหัตและท่านจะไม่รู้หรือเรื่องเหล่านี้ท่านรู้เออแต่ว่ากลัวจะลูกศิษย์ลูกหาของท่านจะเข้าใจผิดว่าพระหรหัสนั่นคืออะไร อันนี้ก็เหมือนกันนั่นน่ะขอให้พวกเรามองหลายๆมุมมองหลายๆด้านหลวงพ่อที่พูดในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการให้พวกเราได้มองครูบาอาจารย์อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างองค์หลวงตาของเราเนี่ยท่านน้าตาล่วงบางคนก็ดูถูกเยียดยามอย่างมากถึงจะดูถูกยังไงเยียดยามยังไงหลวงตาก็ยังอย่างเก่าไม่มีปัญหาความบริสุทธิ์ของท่านก็ยังท่านก็ยืนยันอย่างเก่า แต่พวกเรามันแพ้เรานะ่ะมันแพ้เราทางว่าเราดูถูกไม่ถูกที่ถูกทางแพ้เราบาป ก, กรรมตัวนั้นจะแพ้เรา เ, เพราะฉะนั้นทางว่าใครประมาทผาดพังท่านแล้วก็ให้ยกมือไหว้ท่านจะเพราะกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมที่พวกเราได้ประมาทผาดพังพราแม่ครูบาอาจารย์เพราะเราก็ไม่รู้ว่าท่านได้มักสําเร็จได้มักได้ผลยังไงขอพวกเราจะได้ ประมาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนวความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นในตัวของพวกเราเพราะพว ก, พวกถ้าดูแล้วลวงตาพาดำเนินมาตั้งแต่ที่พวกเรามีเรื่องเราเกิดขึ้นมันผิดที่ตรงไหนอันนี้เราไปอยากจะถามพวกเราท่านทั้งหลายหรือถามชุมชนสังคมประเทศชาติเหมือนกันที่ลงตาพาดาเนินนั่นเออ ที่การช่วยชาติครั้งแรกท่านก็เพื่อเพื่อเป็นจิตตวิทยาเพื่อเอาชุมชนประเทศชาติให้อยู่ในความสงบในเมื่อเอาเข้าเอาเงินเข้าคลังหลวงมันผิดที่ในในั่นในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าท่านจะไม่มีการต่อต้านบ้างหลือถ้าเป็นอย่างนั้นจะแสดงว่ากิเลสกินท่านทั้งหมดอันนี้ท่านมีธรรมธรรมจะกิเลสจะมากินธรรมได้ยังไงพอกิเลสในหัวใจท่านก็เตะออกจนพอแรงแล้วมันจะมากิเลสภายนอกมันจะมา กินท่านได้อีกเหรอท่านก็ต้องสู้อย่างอย่างสู้แบบมีธรรมไม่ได้แบบถ้าแบบรุกรุกแบบแบบหม้ชนฝาเลยไม่ได้เอาเข้าอย่างนั้นไม่ได้ไม่ถูกผิดวัตถุประสงค์ของเราเอันนี้ก็คืออันที่สอันที่สเอาเข้าเงินเข้าคลังผมมันผิดเหอรอเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นมาอย่างนี้ราบรื่นอย่างนี้แล้วมันผิดไหมไม่ก็ไม่ผิดแต่ถ้าสมเด็จพระสังฆราชเหมือนกันกที่ลงตาต่อต้านน่ะ ถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดถ้ารัฐบาลเข้ามาเป็นใหญ่นะจะแต่งตั้งใครก็ได้และพระสงฆ์ต่อไปภายภาคหน้าอยากจะเป็นสมเด็จอยากจะเป็นไปว่าจ้างนักการเมืองเพื่อแ ต, งต่งตั้งตัวเองเพราะในหลวงไม่มีอำนาจแล้วที่จะแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระราชาคณะและคอรับชั้นจะเกิดในสงฆ์พวกเราจะกราบพระสงฆ์ลงใหม่อันนี้ก็อยากจะถามสังคมชุมชนของพวกเราเหมือนกันอันดับที่4คือเนี่ยที่ร้องตาน้ำตาล่วง พระถ้าเราถามว่าพระหัศหัวเราะเป็นไหมพระหัศร้องไห้เป็นไหมพระหัศหัวเราะเป็นไหมมันก็เป็นเรื่องเรื่องสัญญาเรื่องสังขารในความบริสุทธิ์ของท่านนั้นไม่มีใครที่จะรู้จะมองเห็นได้อันนั้นจะต้องให้ท่านเป็นผู้อธิบายเองเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกญาติโยมทุกๆ ท, ท่านนะที่มาฟังหลวงพ่อพูดในวันนี้ ฟังแล้วนําไปคิดไม่ไปตองไปพิจารณาดูให้ดีเอถ้าจะว่าไปหลวงพ่ออดึงกระตุกแขนให้พวกเราจะตกนรกนะนี่คือว่าคําพูดของหลวงพ่อวันนี้บอกว่าพวกเราพักพวกเราพักหน้าอกไว้อย่าลงนรกนะดึงแขนเอาไว้เมางักี้จะต้องคิดดูให้ดีสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือในครั้งเขาพูดใหเจ้าของเรา บางสิ่งบางอย่างบางครั้งการเข้าใจผิดดูถูกพระอริยะเจ้าทั้งหลายเป็นบาปหนักเพราะนั้นพวกเราจะทำสิ่งใดก็ตามคิดสิ่งใดก็ตามอย่าไปดูถูกแบบง่ายๆต้องใช้เหตุและผลพิจารณาดูให้รอบคอบเช่นก่อนจงค่อยตำหนิเออจงค่อยดูถูกถ้าเราไม่รู้จริงเราก็ต้องถอยห่างไว้ก่อนต้องหยุดไว้ก่อนเพราะเราไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้ เราต้องหยุดไว้ก่อนเพราะนั้นอันนี้ก็หลวงพ่ออยากจะพูดหลายครั้งยังไม่เคยพูดมาก่อนแต่พูดก็คือพูดธรรมดาไม่เคยพูดในที่สาธารณชนอย่างนี้ไม่เคยพูดในเครื่องขยายเสียงอย่างนี้ว ง, งั้นแต่ครั้งนี้หลวงพ่อได้พูดให้พวกเราเป็นแนวความคิดที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาออกตนญยตดโยมของหลวงพ่อที่มาฟังในวันนี้ก ข, ขอให้นาไปคิดนาไปพิจารณา แต่ตรองเหตุและผลหลวงพ่อต้องการชี้แจงเหตุและผลเท่านั้นให้พวกเราได้รับผู้รับทรบาบเหตุผลเท่านั้นล่ะที่จะเป็นผลทางไปสู่ความสุขความสบายใจความสุขความเจริญทางด้านจิตใจด้วยนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยาวแล้วก็ขอเตือนย้ำพวกเราท่านทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ให้รักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์ชาติหน้ามีจริงเพราะพระพุทธเจ้าพิสูจน์มาแล้วเมื่อ2548ปีห้ายปีให้หลังพระพุทธเจ้าอยู่ในเวียงในวงังเป็นพระเจ้าแผ่นดินสวย ร, ราชถึง29ปีเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ไปเห็นความเกิดไปเห็นความแก่ไปเห็นความเจ็บไปเห็นคนตายไปเห็นฉมณะ เกิดความคิดขึ้นมาทําไมโลกนี้เป็นอย่างนี้มีมืดมันก็ต้องมีสว่างมีสุขมันก็ต้องมีทุกมีทุกมันต้องมีสุขมีเศร้าหมองก็ต้องมีป่องใสมีร้อนมันก็ต้องมีเย็นอันนี้คือความคิดเบื้องต้นของท่านที่พระพุทธเจ้า ที่ท่านคิดเบื้องต้นสิทธัตถะคิดเบื้องตน้นจากนั้นพวกองค์ก็ได้หนีจากเวียงจากวังตามลำพังเราคิดดูเสียว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนีจากเวียงจากวังไปอยู่อย่างนั้นแต่พวกเราขนาดไม่มีอะไรอยู่ในบ้านไม่ได้มีเงินร้อยล้านพันล้านอย่างพระพุทธเจ้าเราหนีมาเราก็ยังเป็นห่วงอันนี้พระพุทธเจ้าท่านหนีจากอย่างนั้นแล้ว ท่านคิดยังไงไม่ใช่ธรรมดาหลวงพ่อว่าถ้าเป็นหัวใจก็ต้องวตัดเหล็กตัดขางเป็นเหล็กใจที่เด็ดเดี่ยวมากเพราะว่าไปทางหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเกิดล้มหายตายจากท่านก็ต้องเสียสละทุกอย่างในท่านไปบำเพ็ญอยู่ตึ้งหกปีอยู่ในป่าตามลำพังหลวงพ่อพูดอย่างรวบรัด จากนั้นพระองค์ก็นั่งภาวนาในวันเดือนหกเพนที่คืนที่ท่านจะได้ตัดรู้ท่านรู้อะไรุพเพในวาสานุสติยานละลึกชาติผลหลังไดแ้แสดงว่าตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น ถ, ถ้าว่าถ้าว่าตายแล้วศูนย์จะเกิดมาชาติเดียวจะละลึกชาติผลหลังได้ยังไงเพราะนั้นใครจะปฏิเสธไม่ได้เรื่องพุทธศาสนาในวาระพระพุทธาสาัจหน้าชสาัจหลังมีจริง พระบางองค์ก็ยิ่งโง่คนนั้นบอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้นนเขียนคำไว้อะไรในงานศพแสดงว่าแย่มากไม่ได้พิสูจน์ในการประพฤติธปฏิบัติถางว่าผู้ประพฤติธปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าใจของเราเป็นยังไงกายของเราเป็นยังไงกายกับใจในอาศัยกันอยู่ร่างกายนี้แตกสลายตายแน่นอนไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ แต่ส่วนจิตใจนั้นออกจากร่างไปแล้วปฏิสนธิไปเกิดตามบุญกรรมของแต่ละคนถ้ามีบุญวาสนาบารมีมีบุญที่ได้สั่งสมดีแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นแต่ถ้าว่าเราทำกรรมชั่วเสียหายทำกรรมไม่ดีทำบาปก็ตกนรกตกต่ำไปเหมือนกับคนในยุคนี้สมัยนี้นะ่ะ ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่ใช่จะดีตลอดถ้าเราไปทำกรรมชั่วเข้าละ่ะก็ต้องเข้าคุกเข้าตลาดแต่คนเหมือนกันทำไมเข้าคุกเข้าตลางเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะการทำกรรมชั่วถ้าบางคนทำกรรมดีกรรมดีก็ให้สนองเข้าไปไปในสถานที่ใดมีแต่คนรักเคารพนับถือกราบไหว้สักการะบูชาไปที่ไหนก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นจุกอันนี้ก็คือคนมีบุญ คนมีบุญคนมีบาปคนมีคนทําบาปคนทําบุญเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ภาวนาในควันคืน6เพนในคืนสุดท้ายที่ท่านจะได้ตัดรู้อุปเพนิวาสานุสติญาณและลึกชาติผลหลังได้ในชาติที่แล้วเป็นยังไงเหมือนเมื่อวานนั้นเราทําอะไรวันก่อนนั้นเราทําอะไรอาทิตย์ก่อนนั้นเราทําอะไรเดือนก่อนนั้นเราทําอะไรปีก่อนนั้นเราทําอะไร จนมาถึงปีนี้มันเป็นเส้นสาวสายยาวเหยียดอย่างนั้นนะ่ะในอดีตชาติถ้าจะไล่ไปแล้วเป็นเรื่องยาวเหยียดเลยเป็นวิถีทางเดินของจิตมาตลอดถ้าจะว่าไปแล้วจิตเป็นนักท่องเที่ยวก็ไม่น่าจะผิดเออมันเที่ยวอยู่ในวัฏวบนจากนี้ก็ออกจากนี้ไปแล้วจะไปที่ไหนจากนั้นทางของบำเพ็ญเข้าไปอีกจุดตัวปาตยานการจุติการจุติของวิญญาณ การตายของสรรพสัทั้งหลายเมื่อมาเกิดที่นี่แล้วจะไปที่ไหนตายจากที่นี่แล้วจะไปที่ไหนอันนีค้คือการจุดติของสัตว์จากนั้นก็พอจวนสว่างใกล้รุ่งท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจา้าอาสาวัคคยาญยาญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วไม่มีราคะโทสะโมหะตัดกงล้อกรรมเกวียนแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดไม่หมุนอีกแล้ว แปลว่ารัดวงจรแล้วกรโดดออกไปนอกโลกแล้วโลกไปดึงดูดอีกแล้วไม่อยู่ในไม่หมุนอยู่กับโลกแล้วอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านพิสูจน์ด้วยพระ อ, องค์เองวันเดือน6เพนเมื่อ 2,548 สปีให้หลังจากนั้นพระุธองค์ก็นั่งมาคิดเมื่อได้สำเร็จแล้วในคืนนั้นในตอนวันนั้นมาเนัก นั่งคิดลำพึงอยู่ว่าโอ้โหทำที่เราได้ต่จะรู้หนี่เป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนมากเราจะไปสอนโลกให้โลกเข้าใจจะไปสอนได้อย่างไรในเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้พระพุทธองค์จนท้อพระไทยที่จะไปสอนธรรมเพราะว่าธรรมที่พระพุทองค์ได้นั้นมันทวนกระแสะโลกมันไม่ไปตามโลก มันเหมือนกับโลกมันหันหลังให้กันกับธรรมเหมือนคนสองคนอันหนึ่งโลกอันหนึ่งธรรมเราโลกเนี่ยก็เดินไปทางโลกธรรมเนี่ยก็เดินไปทางธรรมมันก็ยิ่งห่างกันไปเรื่อยๆเพราะมันหันหันหน้าไปคนละทางกันเพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านมองเห็นแล้วโอ้เราจะสอนเขาได้ยังไงในเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้ ถ้าทำเกาบอกว่าร่างกายสังขารนี่มันไม่ใช่ตัวตนของเรานะร่างกายนี้มันจะต้องแก่มันจะต้องเจ็บมันจะต้องตายร่างกายนี้มันที่มองกันได้เพราะหนังห่มอยู่ห่ออยู่ถ้าว่าเท่าแก่ชรลาหรือว่าตายลงไปเนี่ยหนังนี่ก็ต้องเปือ่อยต้องเน่าต้องผุพองแต่โลก เขาก็ถือว่าร่างกายนี่เป็นของเสร็จสวยงดงามน่ารักใคร่ชอบใจในร่างกายของของเราและคนอื่นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าเนี่ยโลกของเขาคิดอย่างนั้นแต่ธรรมของพระพุทธเจ้านี่ยคิดอย่างนี้มันสวนทางกันแต่พระุทธองค์ก็ท่านลําพังไปชั่วหนึ่งก็มีพรมมาอาราธนา ผมมาเจโรกาธิปติสหัมปติเนะี่ยบอกว่าคนที่มีกิเลสน้อยมีอยู่ขอพระพุทธองค์จงมีพระเมตตาสั่งสอนสัพพสัตในโลกจากนั้นพุทธองค์ก็รับอาราธนาผมอย่งจริงรับว่าจะสั่งสอนต่อสัพพสัตทั้งหลายจากนั้นพุทธองค์ก็เมื่อตกลงว่าจะสอนแล้วพพุทธองค์ก็เขียนแผนที่ว่าจะสอนอย่างไร วิธีการเดินแผนเดินตามแผนที่ไปสู่มรรคผลนิพพานนั้นเดินอย่างไรอันนี้ท่านสําหรับคารวาท่านก็ว่าเออมีทานนะให้พรมพากันมี จ, จิตใจมีฐานะฐานะคือการทานเสียสละคนที่มีคนที่ทําบุญทําทานจะเป็นผู้จิตใจกว้างขวางอบอ้อมอารีไปในสถานที่ใดก็ทําให้โลกพรมเย็นเป็นสุขเพราะจิตใจกว้างขวางให้อภัยทานให้ทานให้อภัยทาน จากนั้นรักษาศีล น, นะถ้ารักษาศีลก็คือรักษากายวาจาของตนเองให้เรียบร้อยไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นไม่ให้คนอื่นทุกข์ยากลาบากกับตัวของเราแต่มีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตในใจถ้าเราเขาไปทำให้แก่เขาอย่างนี้เขาเสียใจเขามาทาให้แกเราอย่างนี้เราก็เสียใจเพราะฉนั้นศีลห้าของพระเจ้านี่คือเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เ, เป็นบางข้อ จากนั้นก็เป็นกิจส่วนตัวของเราไม่ควรทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเมื่อทำเข้าไปแล้วแต่เป็นเรื่องส่วนตัวก็จริงแต่มันเป็นเดือดร้อนคนอื่นเขาอย่างสุราเนี่ยกินเขาปากของเรากินแต่กินของเรามันจะเป็นอะไรไปเพราะเรากินเข้าไปแต่มันไปด่าเขาเเอ่เนี่ยไปขับรถชนเขาหละ่ะไปทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พอเรากินสุราแต่อยู่เฉยๆกินแล้วเฉยๆมันก็ไม่เป็นไรแต่กินเข้าไปแล้วไปฆ่าไปแกงไปโพดไปจี้ไปอะไรคนอื่นเา้าอันนี้ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ก็คือมันผิดเพราะฉะนั้นพุทองค์จริงว่าทานนะศีล น, นะภาวนานะสำหรับพวกญาติโยมภาวนาคือรักษาใจของเราให้ถูกต้องเราคิดเรื่องอะไรให้มีสติอยู่ในความคิดของตนเองอยู่ตลอดเวลา สติของเราจงประกับประกบอยู่ในจิตว่าเราคิดเรื่องอะไรคิดอย่างนี้มันถูกต้องไหมขนาดเมื่อเรามีสติอยู่ในจิตแล้วเราคิดเรื่องอะไรมันถูกต้องไหมผิดไหมอย่างน้แล้วเราจะไปพูดออกได้ยังไงนี่เมื่อเมื่อเราของเราดีแล้วใจของเราดีแล้วการพูดออกไปก็ดีการกระทำของเราก็ดีเพราะใจของเรามีเหตุมีผลใจของเราถูกต้องแล้ว ไตรตรองด้วยสติด้วยปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นศีลก็คื อ, อยากกว่าธรรมธรรมในละเอียดกว่าธรรมคือรักษาใจศีลนั่นคือรักษากายวาจาเพราะนั้นท่านเรีว่าสำหรับศรัทธาญาติโยมแล้วคือให้มีศีลจากนั้นก็เห็นวไหวพระสวดมนต์ก่อนหลับก่อนมอ น, นอนพังนั่งภาวน า, วารู้จักปล่อยรู้จักวางอย่ารู้จัก อย่าโมโหโทรโศโกทาให้แก่ใครให้พิจนาดูให้ดีสักก่อนให้นึกไว้อยู่เสมอว่าอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยหลวงพ่อพูดหลายหลายครั้งคือพวกเดียบขณะนี้พวกเรารอวีซ่าคานี้มันรู้สึกว่ามันยุคมันทันยุคทันสมัยเพาะงั้นะมันทันสมัยในคําพูดพอทุกพวกคนอยากจะไปต่างประเทศ พอไปซื้อวีซ่าแล้วไปต่อวีซ่ามาแล้วคอยวีซ่าเามือนกันแตเมื่อวีซ่าตกมาแล้วกันนั่นได้ไปต่างประเทศอันนี้พวกเราเกิดมาแล้วเนี่ยพอเกิดมาแล้วรอวีซ่าบัตรไม่รู้ว่าวีซ่าจะตกมาวันไหนพอวีซ่าตกมาเนี่ยเราก็จะได้เดินทางไปต่างประเทศละอ๋อเขาพอได้รับวีซ่านี่ยกันนั่นแหละ เขายกขึ้นเสีงตะกรอนระบาดไฟเผาแล้วงั้นเถอตัวเองวิญญาณกลับไปแล้วข้ามภพ ข, ข้ามชาติระบาดตอนที่จะไปก่อนที่จะวีซ่ามาถึงนะ่ะพวกเราตั้งอยู่ในความประมาทไม่ได้นะต้องเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอว่าเมื่อวีซ่ามาถึงแล้วเงินอยู่ในกระเป๋าเราพร้อมหรือยังอันนี้คือจุดสําคัญนะถ้าว่าเราไม่มีเงินออแต่ว่าจําเป็นจะต้องได้ไป เขาต้องตองออกไปแน่และคราวนี้เพราะว่ามันถึงคิวเราแล้วแต่เราไม่มีเงินแล้วจะเป็นยังไงถ้าไปข้างหน้าแล้วเราไม่มีเงินมันเก็แน่นอนอยู่แล้วต้องทุกแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันทางว่าพวกเราไม่มีบุญไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้ไม่ได้คิดเอาไว้มีแต่มัวเมาประมาทนอนใจไม่ได้คิดสะสมบุญกุศลเอาไว้ เมื่อตายไปแล้วไปพบนาชาติหน้าจะเป็นยังไงเหมือนกับเราไปต่างประเทศไม่มีเงินอย่างนั้นนะไม่ต้องบรรยายมากมีแต่ทุกข์กับยากมีแต่ทุกข์อกทุกข์ใจอย่างนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะขอให้พวกเราทันทั้งหลายเตรียมเอาไว้นะบุญกุศลนี่แหละคือจะตกปัจจัยอยู่ในจิตใจของเราใจของเราเป็นคลังบุญและคลังบาปเป็นบัญชีบุญเป็นบัญชีบาปอยู่ในนั้น รับทั้งบุญรับทั้งบาปนะใจของเราถ้าเราสั่งสมบุญบุญก็นํานความสุขมาให้ถ้าเราทําสั่งสมบาปบาปก็นํานทุกมาให้เพราะฉะนั้นเราต้องการอะไหนทั้งสองอย่างบุญกับบาปไม่ต้องพูดถึงใครๆก็ต้องการความสุขด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะสั่งสมบุญที่อยากจะไม่ต้องการความสุขนั้นเราก็ต้องสั่งสมบุญรักษาให้ทานรักษาศีลภาวนา คนที่ให้ทานเกิดมาพบไรชาติใดเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเพราะอันนี้สงทานให้ผลอย่างพวกเราเห็นไหมลองมองดูง่ายๆอย่างลวงตามหาบวัวท่านไปที่ไหนท่านวานทาบุญไปหมดแต่พวกเราก็ได้คิดว่าลวงตาทาบุญเกินไปบางทีไม่น่าจะให้ก็ให้แต่ตามไม่จริงในใจของท่านเป็นยังไงไม่มีใครมองเห็น สมควรและไม่สมควรอย่างไรเพราะท่านให้ในสรุปแล้วก็คือท่านมีเมตตาในจิตในใจท่านพูดกับหลวงพ่อนะท่านบอกว่าการเสียเปรียบคนนั่นแ่ละคือเมตตาถ้าหากว่าไม่ยอมเสียเปรียบใครนั่นแหละจิตใจเหี่ยวแห้งจิตใจไม่มีธรรมจิตใจเหี่ยวแห้งจิตใจเอารัดเอาเปรียบเขาถ้าเราเป็นผู้เสียเปรียบเขายอมเสียเปรียบเขานั่นแหละคือเมตตาอันนี้เพื่อนพูดแบบง่าย แต่มาพิจารณาดูแล้วเป็นคำพูดที่ถูกต้องที่สุดการที่เสียเปียบคนอื่นนันคือเมตตาเรารู้ว่าเขาเอาเปียบเราแต่ก็ไม่แห้มันเกินไปเราก็ยอมเสียเปียบเขาสะยอมให้เขามันเป็นเมตตาของเราแล้ว่าเราห้ามยับยัง้งจิตใจของเราได้แต่เราไม่ยอมแก่ใครเลยเพียงนิดหน่อยมมแตาเอาแพ้เอาชนะกันเมืองอยู่ตลอดจิตใจของเราอับเฉานะเหี่ยวแห้ง เพราะนั้นที่ลงตาให้ทานทำบุญทาทานของท่านท่านวานไปเรื่อยอย่างมาวัดหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนกันเออท่านมาถึงบ้านผือถึงมางที่ไหนท่านก็ซื้อไก่ยงไก่ย่างใส่รถมาไก่ย่างที่ทำเสร็จใหม่ๆพวกเราคิดดูก็แล้วกันมันมีกลิ่นขนาดไหนวะงั้นท่านเราใส่รถตู้เข้ามาอีกทีนี้พอลงตาลงจากรถเท่านั้นถูกกินไก่ย่างทั้งตัวเลยรวะงั้นนเดินไปที่ไหน จะถูกกินก็ย่างตลอดลนะนั่นแหะนี่ยเนีการทําบุญทําทานขององค์หลวงตาเพราะฉนั้นเวลาท่านไปในสถานที่ใดอย่างที่ท่านมางานศพลงปู่เหรียญเนี่ยท่านมานั่งแป๊บเดียวเออลูกหลานะใครจะมาทําบุญทำหน้าหนะลวงตามาเนี่ยทำบุญน่ยหลวงตาก็เอามาถวายสองเมินแล้วก็มีผ้าไตรด้วยญาติโยมก็แห่หลังไหลมาทั้งที่ไม่มากเลยนะคนมุกกลับไปหมดเกือบหมดแล้ว แต่ขนาดนั้นไม่ถึง30มสินาทีได้เงินแส น, นกว่าบาทหลวงพ่อโอ้โหหลวงตาเนี่หาเงินได้เร็วมากเกินสรุปแล้วก็คือบุญกุศลของท่านท่านเป็นผู้เสียสละใครๆเห็นแลยก็เหมือนกับแม่เหล็กอยากจะทําบุญกับท่านเพราะท่านเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ทําบุญเหมือนกับท่านมีมมเมล็ดข้าวในมือท่านก็นกำหวานไว้เลยหวานวานหวานล ห, าน ห, านหานาลงทองไล่ทองนาบา ง, บา ง, บ, างบางเม็ดมันก็นอาจจะ ถูกที่โนนที่ดอนบ้างอาจจะถูกเม็ดแผ่นหินบ้างก็คงจะมีนะเพราะท่านหวานเยอะแต่ทึอย่างไงเมื่อท่านหวานไปแล้วผลแห่งการหวานของท่านหวานพืชของท่านมันก็งอกเงยแล้วจะนีเ่เก็บไม่หวานไม่ไหวแบบนั้นเถอะเออตอนนั้นก็ให้ผลตัว น, นี้ก็ให้ผลตอน น, น, น, นั้นก็ให้ผลท้องนานี่ก็ให้ผลพืชไร่นี่ก็ให้ผลท่านเล็บเก็บอยู่ไม่ไหวเพราะท่านได้หวานพืชล ง, ง, ไ, ปงไปไว้มาก แต่บางคนคิดดูดีแล้วหวานข้าวลงไปทีละเม็ดสองเม็ดก็นั่งเฝ้าอยู่มันจะได้กี่มันจะก็ได้กี่ลวงใช่ไหมเนีมันเกิดขึ้นมาก็ได้สองสามสี่ลวงใช่ไหมเม็ดหนึ่งอย่างมากก็เท่านั้นแหละแต่ลงตาท่านหวานไปเรื่อยเพราะฉะนั้นการทาบุญทําทานเป็นการเสียสละแต่อย่าให้มันมากจนเกินไปเราต้องรู้สถานะของเราการเงินของเราการเป็นอยู่ของเรา สมควรจะทํามากน้อยแค่ไหนไม่มีใครที่จะรู้กว่าตัวของเราแต่เรามีมากเราทําน้อยเออมันก็ไม่ถูกถ้าเรามีน้อยเราจะไปทํามากก็ไม่ถูกเพราะฉนั้นให้ทําพอเหมาะเอ่อมันพอเหมาะจะให้ตัวเองเดือดร้อนอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนจะให้ผู้ใกล้ชิดของเราเดือดร้อนเอ่อมันให้พอเหมาะพอสมการทําบุญทําทานพระพุทธเจ้าทรงสนับสนุนนะ คนพานเท่านั้นไม่สนเสริญทานพาราะพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นคนพานพาละชนเท่านั้นไม่สนเสริญทานบัณฑิตท่านสนเสริญในการทำทานคนที่ทำบุญทำทานไปในสถา น, นที่ใดมีแต่ความมีแต่คนยกย่องเชิดชูบูชาถ้าคนขี้ตะนีถีเหนียวไปสถา น, นที่ใดเขาจะปิดประตูไว้เลยอ่างั้นไม่อยากจะให้เขามาบ้านของเราอต่างหากเพราะนั้นหลวงตาเนี่ย บุญวาสนาบารมีของท่านมากนะหลวงพ่อว่าไปในสถานที่ไทยพอท่านนั่งเสร็จแล้วญาติโยมก็มาทําบุญทําทานจังตู่เชเ่อไอีกว่าไงไปไปไปไปกาบอะไรมากมายนักหนาคนทางหลังเขาคอยนะไปเรียบไปถ้าบางคนว่าเขาคงจะโมโหว่าไงแต่หลวงตานี่พูดอย่างนั้นเขาเช้ยเขายังทําบุญทําทานยังกราบยังอันนั้นไปอีกหนะลวงพ่อว่ า, นนาเนี่ยหลวงตาเหมือนกับแม่เลย ความร่มเย็นเป็นสุขในหลักธรรมท่านว่าพระหัน์อยู่ในสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่รื่นลมพระพระอรหันอยู่ในสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่รื่ น, ม น, น, น, น, นลเนเนมเข้าไปอยู่ใกล้หลวงตานะี่ยเย็นใจเย็นใจนะ่ะหลวงพ่อว่านะ่ะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆคนนะหลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาววันนี้ ตามไม่จริงอยากจะให้ญาติโยมพวกเราได้พักผ่อนนอนเหมือนกันนั่นแหละนะแต่มันนอนมาพอแรงแล้วล่ะจะไปหาคิดนอนนอนในโลกวัตะสงสารใบเนี่นอนมานานแล้วเพราะนั้นวันนี้ก็ให้นั่งภาวนาเสียบ้างนะนอนจนหลังแบนพอแรงแล้วงั้นเอ่แต่สมัยเป็นเด็กแม่อยากจะให้นอนก็ไม่อยากจะนอนพอแก่ขึ้นมาแล้วอยากจะนอนอา่าก็บําเพ็ญ ทานศีลภาวนาบ้างวันนี้ก็ได้มาฟังโอวาทของหลวงพ่อเมื่อได้ฟังแล้วก็นําไปคิดนําไปพิจารณาไตรตรองเหตุและผลถ้าว่าหลวงพ่อพูดผิดก็หลวงพ่อยินดีรับฟังนะหลวงพ่อรับผิดชอบทุกคําพูดที่พูดออกไปหลวงพ่อมั่นใจว่าหลวงพ่อพูดถูกจึงได้พูดออกไปแต่ถ้าว่าพวกเราเห็นว่าหลวงพ่อพูดคํานั้นไม่ถูกนะหลวงพ่อก็ยินดีรับฟัง แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขทําความเข้าใจแอบใครถูกใครผิดกันแน่ว่า ง, งั้นเถอถ้าวันมันผิดแน่หลวงพ่อก็ยอมรับหลวงพ่อไม่ใช่รูดพูดด้วยทิฏฐิมานะนะไม่ใช่พูดโดยทิฏฐิมานะทิฏฐิคือความเห็ุนี่ถูกต้องหลวงพ่อมีความเห็นอย่างนี้แต่มานะคือความแข็งกระด้างไม่ยอมใครหลวงพ่อจะไม่ให้มีจะยอมรับฟังเหตุและผลทุกๆคนที่เขาให้เหตุผลมาโภระการ พูดการแสดงธรรมของหลวงพอ่อวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดการแสดงเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่พวกเราท่านทั้งหลายทุกๆท่านเทอญ